คุณผู้ฟังคะในพระไตรปิฎกมีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งค่ะที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นผู้เกี่ยวข้องมีกรรมเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจกได้ผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนนี่ก็สื่อให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าศาสนาพุทธนั้นสอนเรื่องกรรมเก่าแล้วก็ยอมรับผลของกรรมหรือว่าผลของการกระทํานั้น เช่นถ้าเราไม่อาบน้ำเราก็ย่อมสกรปรกมีกลิ่นตัวและนี่ก็เป็นเรื่องกรรมล้วนๆไม่มีใครหลีกหนีผลกรรมหรือว่าผลของการกระทำนั้นได้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองค่ะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองในคำพีอัปทานตอนที่ว่าด้วยปุพภะกรรมปิโลติพุทธปาทานข้อที่392ถึงเรื่องของกรรมเก่าที่พระองค์ทรงกระทํามาแล้วในอดีต14ข้อทั้งฝ่ายกุศลและก็ฝ่ายอากุศลนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างนะคะว่าพระองค์เมื่อยังเป็นปุถุชนก็ได้ทาความดีและก็ทาความชั่วมาแล้วเช่นเดียวกับพวกเรา เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทํามาแล้วในอดีตถึง14ข้อข้อแรกค่ะเป็นเรื่องของกรรมดีกรรมดีในการเคยถวายผ้าไว้ในอดีตก็เลยได้รับผลบุญกรรมเก่าข้อแรกนี้เป็นกุศลกรรมนะคะซึ่งเป็นปัใจจัยให้พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไว้ด้วยนั่นก็คือการถวายผ้าเก่าแก่พระนั่นเองค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตนั้นทรงเกิดเป็นคนยากคนจน เห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งถืออยู่ในป่าเป็นวัดแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยถวายพ่อห่มเก่าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่แก่ท่านพร้อมกันนั้นนะคะก็ได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากพระสาวกรูปนั้นก็เกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นค่ะก็เลยตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะคะ การเริ่มต้นปรารถนาครั้งนั้นของพระองค์ก็เลยส่งผลให้ทำความดีมาอย่างต่อเนื่องจนได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ค่ะผลก็คือในชาติสุดท้ายเมื่อพระโพธิสัตว์ท ร, ท ร, ทรงตัดพระโมลีแล้วตั้งสัจจะทิฐานแล้วก็โยนพระโมลีขึ้นไปในอากาศนะคะแล้วก็พูดนะคะว่าจกเป็นพระพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้าอนโนมาณทีแล้วก็ดำรืออีกนะคะว่าผ้าของชาวกาสีอย่างดีเหล่านี้ ไม่สมควรแก่ความเป็นสมณะของเราในทันใดนั้นเองค่ะสหายเก่าซึ่งไปเกิดเป็นพรมที่ชื่อว่าคต oh ah ิการรมหาพรมก็เลยถือสมณะบริฐารแดอย่างมาถวายด้วยตนเองนะคะกรรมข้อที่2คือกรรมในการเคยแกล้งโคไม่ให้ดื่มน้ำค่ะชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นคนเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยง เห็นแม่โคแวะดื่มน้ําข้างทางเกรงจะชักช้าก็เลยไล่แม่โคเนี่ยไม่ให้ดื่มน้ําด right> ้วยการแกล้งเอาไม้กวนน้ําให้มันขุนแล้วค่ะบาปกรรมในชาตินั้นก็เลยส่งผลให้ชาตินี้คือทรงกระหายน้ําแล้วทรงตรัสให้พระอานนท์ไปตักน้ําให้แต่ว่าเนื่องจากมีขบวนเกวียนผ่านมาก็เลยทําให้น้ําขุนจึงทรงไม่ได้เสวยสมปรารถนาในทันทีต้องทรงตรัสถึง3ครั้งจึงจะได้เสวยน้ํา เมื่อคราวใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะข้อที่สค่ะกรรมจากการเคยกล่าวตู่ผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงพระองค์ตรัสเล่า ว, ว่าเป็นกรรมเก่าที่ทำไว้ในหลายชาติอดีต ด, ดังนี้ในชาติหนึ่งทรงเกิดเป็นนักเลงชื่อว่าปุนาลิได้กล่าวใส่ร้ายพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีว่าทำผู้หญิงท้องโดยที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงตอบโตใดๆ เมื่อตายจากชาตินั้นบาปกรรมก็ส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเมื่อเกิดมาในชาติสุดท้ายแม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็ยังคงตามมาส่งผลนะคะให้พระองค์เนี้ถูกนางสุนทริกาค่ะกล่าวตูนางตั้งทันกับพระองค์ข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องของกรรมจากการกล่าวตูผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริง ต่อมาในชาติหนึ่งนะคะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ได้กล่าวตู่พระเถระที่ชื่อว่านันทะพระสาวกองหนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องทำนองเดียวกันคือด้านชู้สาวเมื่อตายจากชาตินั้นบาปกรรมก็ได้ส่งผลให้ไปเกิดในนรกนานนับหมื่นปี เกิดมาในชาตินี้แม้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่ว่าเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้นก็ยังต้องส่งผลให้พระองค์นี่ถูกนางจินจามานวิกากล่าวตู่ด้วยคำเท็จบอกว่านางเนี่ยตั้งคันกับพระองค์อีกเช่นกันค่ะ 5. กรรมจากการกล่าวตู่ผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงเมื่อครั้นทรงพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าสุดตาวาอันชนทั้งหลายสาการะบูชาสอนมนให้กับมานบห้าคนอยู่ในป่าใหญ่ ได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภิญญาห้ามีฤิทธิ์มากมาในสำนักก็เลยกล่าวตู่ฤาษีกับพวกศิษย์ของตนบอกว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามครั้งนั้นมานพทั้งปวงเที่ยวไปพิขาในสกุลก็พากันบอกแก่มหาชนว่าฤาษีพวกนี้เนี่ยมักบริโภคกามและด้วยวิบากกรรมแห่งนั้นนะคะในภพชาติสุดท้ายของพระองค์พระภิกษุทั้ง500เหล่านี้ก็ได้รับคํากล่าวตูทั้งหมดค่ะโดยนางสุนทริกาดเช่นกัน ข้อที่6กกเกาวจากการเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาพระพุทธเจ้านะคะท่านตรัสเล่านะคะว่าในชาติหนึ่งในอดีตนั้นพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐีบิดาของพระองค์มีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายพระองค์เกรงว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปให้กับน้องชายต่างมารดานั้นก็เลยได้ลวงน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาแล้วก็เอาหินทับไว้ เมื่อตายจากชาตินั้นแล้วบาปกรรมก็ส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานปีค่ะแม้ว่าเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องรับเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมากระทบนิ้วจนพระบาทหอพระโลหิตนั่นเองนะคะข้อที่ 7. ค่ะคุณผู้ฟังกรรมเก่าจากการเคยจุดไฟดักทางพระปัจเจกับพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเล่าว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งนั้นพระองค์เคยเกิดเป็นเด็กแสนซนวันนึงขณะเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งกําลังเดินมาก็เลยชวนกันจุดไฟดักทางเพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านไปได้เมื่อตายจากชาตินั้นบาปกรรมก็เลยส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เศษกรรมยังหลงเหลืออยู่พระเทวทัตก็เลยชักชวนนายคมังธนูผู้ฆ่าคนตายมาอย่างมากมายเพื่อให้ฆ่าพระองค์ส่งผลให้พระองค์ถูกไฟไหม้ที่พระบาทค่ะกรรมที่แปดนะคะเป็นกรรมจากการเคยใส่ช้างจับพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่า ว, ว่าในอดีตชาติเนี่ยาวที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็เกิดเป็นควานช้างค่ะ วันหนึ่งเห็นพระปัตเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งเดินบินธบามาแล้วก็นึกจงเกลียดจงชังอย่างไรก็ไม่รู้ก็เลยใส่ช้างให้จับพระปัจเจกับพุทธเจ้ารูปนั้นและเมื่อตายจากชาตินั้นไปแน่นอนเลยว่าบาปกรรมเนี่ยส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนานาน เกิดมาในชาตินี้แม้ว่าพระองค์เองจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลือก็ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาราคีรีมาแทงพระองค์นะคะกรรมที่9ค่ะกรรมเก่าจากการเคยนำทหารออกศึกค่ะ พระองค์ตรัสเล่าว่าพระองค์เกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกรบฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากตายจากชาตินั้นบาปกรรมก็เลยส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส และแม้ว่าเกิดมาในชาติสุดท้ายหลังจากที่พระเทวทัตทําให้พระองค์ทรงหอบพระโลหิตแล้วสเสด็จไปให้หมอชีวกรักษาหมอชีวกรักษาโดยปรุงยาอย่างแรงกล้าเพื่อสมานแผลแล้วก็ปิดแผลแล้วก็เข้าไปทําธุระในเมืองแต่ว่ากลับมาไม่ทันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อนทําให้พระองค์เกิดความเร้าร้อนในสรีระตลอดซึ่งต่อมาก็ได้รับสั่งให้พระอานนท์นํายาที่ปิดแผลนั้นออกในตอนค่านั่นเองค่ะ กรรมที่สิบเนะคะเป็นกรรมเก่าที่เกิดจากการชอบใจเมื่อเห็นคนฆ่าปลาคุณผู้ฟังคะข้อนี้แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่ดีใจเท่านั้นที่เห็นคนทาชั่วแค่นั้นกรรมก็ตกกับเราแล้วเช่นกันพระองค์เล่านะคะว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นลูกชาวประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเมื่อชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความสนุกยินดีสนุกสนานกับเา้า มาเกิดในชาตินี้แม้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามบาปกรรมก็ยังคงส่งผลให้พระองค์รู้สึกปวดพระเสียรเมื่อคราวที่พวกเจ้าสากยะพระปยุร ญ, ญาตของพระองค์ถูกพระเจ้าวิทูตพระกษัตริย์แห่งแคว้นโกสนยกทัพ บ, บุกสังหารค่ะ กรรมที่11นะคะกรรมจากการเคยด่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่านะคะว่าในชาติหนึ่งในอดีตชาตินั้นพระองค์เกิดเป็นคนปากกล้าค่ะด่าว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าผุดษาว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอย่า ก, กินข้าวสาลีเลย เมื่อตายจากชาตินั้นบาปกรรมก็เลยส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามบาปกรรมก็ยังคงตามมาส่งผลให้พระองค์ได้รับนิมนต์จากพราหมณ์เวรัญชาให้ไปจาพรรษาในเมืองเวรัญชานะคะซึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงทำให้พระองค์ต้องเสวยข้าวชนิดเลวคือข้าวแดงนานถึงสเดือนเลยละค่ะ รมข้อต่อมากรรมข้อที่สิบสองเป็นกรรมจากการเคยจงใจดัดหลังนักมวยปล้ำเพื่อที่จะทำให้เขาเจ็บพระองค์ตรัสเล่าว่าคราวหนึ่งเกิดในตระกูลข้าบดีมีกำลังมากมหาศาลแต่ว่าตัวเตี้ย ต่อมามีนักมวยปล้มต่างถิ่นมาท้าต่อสู้พระโพธิสัตว์แม้ถึงตัวจะเตี้ยนะคะแต่ก็ได้จับนักปล้มผู้นั้นขึ้นแล้วก็หมุนไปในอากาศทุ่มลงภาคพื้นและจับดัดหลังจนนักปล้าผู้นั้นกระดูกหักเจ็บปวดอย่างมากและยอมแพ้ในที่สุดค่ะด้วยกรรมนี้แม้ในชาตินี้ถึงจะทรงพลังอย่างนับไม่ได้แต่ก็ยังเป็นโรคปวดพระปริตตังหรือว่าปวดหลังค่ะกรรมข้อที่13 กรรมจากการที่พระองค์เคยเป็นหมอยารักษาคนไข้าตายชาตินึงในอดีตพระองค์เกิดเป็นหมอยานะคะรับรักษาลูกชายเศรษฐีโดยวิธีให้ถ่ายยาจนลูกชายเศรษฐีตายด้วยความจงใจค่ะ และเมื่อพระองค์ได้ตายลงไปจากชาตินั้นบาปกรรมก็ส่งผลให้เกิดอยู่ในนรกค่ะมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะก็ส่งผลให้พระองค์เกิดพระโรคปักขันทิกาลภาธหรือว่าโรคท้องร่วงหลังจากที่พระองค์ทรงเสวยสุกรมัทวะก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานจริงๆตอนนี้ถ้าคนผู้ฟังเคยศึกษาหรือว่าเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกหรือว่าหนังสือธรรมะต่างๆที่เป็นพุทธประวัติเนี่ยนะคะ จะได้ทราบว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทราบมาก่อนล่วงหน้าว่านายจุนทะกรรมมารบุตรเนี่ยหรือว่านายจุนทะซึ่งเป็นบุตรของช่างทองชาวเมืองปวาถวายพัตหารจะเป็นอาหารที่ทำให้พระองค์เนี่ยทรงปรินิพานแต่ว่าด้วยการยอมรับกฎแห่งกรรมของพระองค์ค่ะอย่างที่เคยกล่าวไป ท่านก็มีได้สะทกสะท้านในเรื่องของการรับกรรมแต่ประการใดเพราะว่ากรรมเนี่ยจะสามารถทำร้ายพระอรหันต์ได้เพียงแค่กายแต่ไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ทางใจท่านก็ยินดีแล้วก็น้อมรับในกฎแห่งกรรมเหล่านั้นโดยการที่รับนิมนต์กิจนี้นะคะเพื่อที่จะไปฉันพัตหารของนายจุนทะบุตรช่างทองจนเป็นเหตุให้พระองค์ปรินิพานนั่นเองค่ะ กรรมข้อที่14ค่ะในชาติหนึ่งนั้นพระองค์เคยเกิดเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าโชติปาระวันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสปะและก็กราบทูลทํานองเย้ยหยันว่าทําไมจึงตรัสรู้ช้านะักต้องบําเพ็ญเพียรอยู่นานกว่าจะตรัสรู้ได้พอมาเกิดในชาตินี้ล้วค่ะแน่นอนว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ด้วยกรรมน่ะก็เลยส่งผลให้พระองค์เนี่ยหลงทางอยู่ในการสแสวงหาโมฆะธรรมจนต้องบําเพ็ญทุกกรกิริยา ทำให้พระองค์ต้องประสบกับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสกว่า6ปีเลยนะคะกว่าจะรัสรู้ได้คุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในอดีตตั้งแต่ยังงมิได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกุศลเพียงหนึ่งข้อข้อเดียวเท่านั้นที่เหลืออีก13ข้อเป็นอกุศลทั้งสิน้นสิ่งที่ควรทายามหลีกนีไม่พ้นกรรม ไม่มีใครมีพ้นกรรมของตนได้ค่ะแม้พระมหาโมคคลานะสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ที่มีฤทธิเดชยังถูกทุบตีจนร่างกายแหลกเหลวเพราะชาติก่อนเคยทุบตีพ่อแม่ไว้ฉะนั้นนะคะทุกๆครั้งที่จะเริ่มทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมขอให้สร้างเป็นบุญสร้างเป็นกุศลอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบุญเท่านั้นค่ะที่จะเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายให้กับสัตว์ทั้งหลาย และหากเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามกับผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางการงานการเงินความรักเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรก็ตามให้คุณผู้ฟังใช้ขันติเพื่อสะกดความเดือดเนื้อร้อนใจให้หยุดเป็นความแข็งกแกร่งแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้เรียกปัญญาขึ้นมาเพื่อพิจารณาความจริงที่รู้ว่าโลกมีสภาพแบบนี้ทาให้แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเลวร้ายแค่ไหนจิตใจก็กลับสงบลงได้ และเมื่อเราสามารถที่จะวางจิตเป็นกลางได้แล้วนั้นก็ให้รู้ค่ะว่ากรรมเก่านั้นสักแต่ว่ารับไม่ยินดียินร้ายและจะไม่ทำกรรมใดๆใหม่เพิ่มขึ้นด้วยการรักษาสีลห้าและปิดกั้นอกุศลทุกทางที่จะเกิดไม่ใช่เพื่อใครหรอกนะคะแต่เพื่อตัวเราเองค่ะใครจะสําคัญยิ่งไปกว่าตนถูกไหมคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการใช้ชีวิตที่ต้องดำเนินผ่านความทุกข์ยากลำบากต่างๆและหลายท่านที่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ทำไว้ในอดีตค่ะขอบพระคุณแหล่งข้อมูลจากพระไตรปิฎกเล่มที่3 3พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25าขุทธะนิกายอปทานภาคสองพุทธวังสะจริยาปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่32พระสุตตันตปิฎก เล่มที่24่ขุทกานิกายอปทานภาคหนึ่งพระไตปิโดกเล่มที่32พระสุตันตะปิโดกเล่มที่24ขุทกานิกายอปทานภาคหนึ่งขอขอบพระคุณพระอาจารย์บรรจบบรรรุจิจากหนังสือพ้นโลกปีที่ 2, สองฉบับที่ส2เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2535พุทธาประทานชื่อปุพภะกรัรมปิโลติ และขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังจากชแนลพระเจอผีทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ